ข้อความในมหาประทานสูตรทีขณิกายมหาวัชเนีกล่าวถึงการพยากรณ์นิมิตรหรือพยากรณ์มหาปริศลักษณะของพระโพธิสัตว์ในข้อยี่สิบแปดหน้าสิบเจ็ดกล่าวว่าดู ก, ก่อนพิสูน์ทั้งหลายก็เมื่อพระวิปัสสีราชกุมารประสูตรแล้วแลพวกอมาตะก็ได้กราบทูลแด่พระเจ้าพันธุมะว่าขอเดชะ พระราชโอรสของพระองค์เนี่ยประสูติแล้วขอพระองค์จงทอดพระเนตรพระราชโอรสนั้นเถิดภพ็กษุทั้งหลายพระเจ้าพันธุมะได้ทอดพระเนตรเห็นพระวิปัสสิราชกุมารแล้วก็รับสั่งเรียกพวกพราหมผู้รู้นิมิตมาแล้วตรัสว่าขอพวกพราหมผู้รู้นิมิตผู้เจริญจงตรวจดูพระราชกุมารเถิดภพกษซทั้งหลาย พวกพราหมณ์ผู้รู้นิมิตได้เห็นพระวิปัสสิราชโุ ม, มานั้นแล้วก็ได้กราบทูลพระเจ้าพันธุมะดังนี้ว่าก็เป็นธรรมเนียมของสมัยแต่เก่าก่อนัน่นนะการตรวจเครื่องหมายน่ น, นะกล่าวว่าบุคคลผู้เป็นพระราชโอรสนั้นมีลักษณะอย่างไรพวกพราหมณ์ที่พระเจ้าพันธุมะน่ น, นะเชิญมา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 มหาปริศลักษณะก็คือลักษณะของพระมหาบุรุษเนี่ยนะคือบุรุษผู้ยิ่งใหญ่นั้นมีลักษณะประจำองค์อยู่32อย่างซึ่งมีคติหมายถึงความสาเร็จเป็นสองอย่างเท่านั้นไม่ไม่เป็นอย่างอื่นานันเป็นผู้ที่ประสบความสาเร็จอย่างแน่นอนความสาเร็จที่เขาได้รับนั้นมีอยู่สองอย่างด้วยกันคือถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ทรงธรรม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 พระองค์นั้นทรงมีชัยชนะแล้วมีพระราชาอาณาจักรที่มั่นคงสมบูรณ์ด้วยรัตนะเจประการนันะก็คือจักรรัตนะช้างรัตนะมารัตนะแก้วมณีรัตนะแล้วก็อิทีหรือนางนางรัตนะนางแก้วเนี่ยนะครหบดีรัตนะแล้วก็ปรินายกรรัตนะเป็นที่เจ็ด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 กลัวจะสูญเสียภาษีเระว่ารีดไถมากจนไม่มีกระจิตกระใจทําเหมือนกับว่าทําเพื่อส่งหลวงทั้งหมดตัวเองเนี่ย อ, อาบเหมื่อท่วมกายก็ไม่พอจะได้ใช้หรือแม้กระทั่งผู้ที่ทําเกษตรกรรมก็เหมือนกันเพราะถ้าหากว่าภาษีรีดมากเกินไปไถมากเกินไปแล้วผู้ปกครองนั้นเอาไปปลนเปร์สุขของตัวเองเนี่ยนะประชาชนเหมือนมีความรู้สึกว่าเขานั้นถูก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 พระธรรมราชาเมื่อพระองค์เป็นพระธรรมราชาการปกครองของพระองค์นั้นจึงปกครองโดยธรรมนัะนั้นการปกครองของพระองค์นั้นไม่มีการขูดรีดไถยนะการเสียภาษีอากรก็เป็นไปตามตัวบทกฎหมายของบ้านเมืองแล้วก็การที่พระองค์ดำรงอยู่ในฐานะสูงสักและสูงส่งอันนั้นก็เพื่อที่จะได้ช่วยให้ทานนั่นเองการภาษีที่ได้มาก็คือได้โดยองค์รวม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 พระองค์มีแก้วมณีก็คือมีเครื่องที่ทําให้พระองค์สาเร็จความปรารถนาคือจะปรารถนาสิ่งใดก็ปรารถนาสิ่งนั้นได้อย่างไม่ยากไม่เย็นแล้วก็ชีวิตครอบครัวก็เป็นชีวิตที่มีแต่ความสุขสบายเพราะมีอิทธิรัตนาะมีพระยาที่ตามใจทุกอย่างเลยนะคือหมายก็ว่าไม่ใช่ตามใจตัวนะตามใจพระเจ้าจักรพรรดิทุกอย่างคือไม่เคยสร้างความลําบากใจให้พระเจ้าจักรพรรดิใดๆเลย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 ก็มีอะไรมีแต่ความน้อยเนื้อต่าใจนั้นตัวที่จะทำให้ขยายขอบเขตขยายอนาเขตได้ก็คือจั ก, กรรัตนะพั้จึงมีเครื่องปลื้มใจเนี่ยนะเครื่องที่ทำให้เกิดความดีว่าอนุภาพของจักแก้วจะเสด็จไปไหนก็ไปได้สมความประสงค์ไปได้อย่างรวดเร็วก็เพราะมีช้างแก้วมีม้าแก้วนะแก้วมณีก็ทำให้สงบร่มเย็นเนี่ยนะเรียกเสิ็จเข้าตัวนะชีวิตก็ไม่มีความเครียดั้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 ที่น่ารื่นรมต่างๆแต่ว่าของพระเจ้าจักรพรรดนั้นจุดศูนย์รวมแห่งศรัทธาของประชาชนก็คือองค์จักรพรรดิกับจักรัตน์จักรรัตนานั้นเนี่เป็นที่ให้ประชาชนได้ชื่นชมนะนะเป็นที่เคารพสักการะกราบไหว้บูชาท่านก็คือถ้าหากว่าเขาจะเอาดอกไม้ของหอมประทีปคมไฟมาจุดบูชานั้นเขาจะมาบูชาจักรรัตน์กัน